หลายเจ้าบรรยากาศคงจะคึกคักมนุษยย้อนไปถึงเมื่อสักสามสปีที่แล้วนี่บรรยากาศมันแตกต่างกันมากเลยนะกระถินเดี๋ยวนี้หรือกลับกระถินเมื่อสมัยก่อนจำได้ว่าเมื่อปีสองหนะซึ่งเป็นภาษาแรกที่จะมามาอยู่ เจ้าภาพกะถินก็มาทอดกะถินแค่2คนเขาไม่เคยมาวัดนี้ด้วยเขาก็รู้จักหลวงพ่อก็ไม่ถึงกระดีนักนะแต่ว่าเขากับแม่อยากจะมาทอดกะถินก็อยากจะมาทอดวัดชนบท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 มาถึงก็ค่าแล้วก็มาพักที่สาระไก่สาระไก่ตอนนั้นนะก็เป็นสราระอเนกประสงค์ไม่ใช่รูปร่างดีแบบนี้นะเป็นสราระเล็กๆเก่าๆใช้ไม้ปีกมาทำนะมาปูเป็นพื้นก็มีหลายตอนด้วยกันเป็นสราระที่ทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชั้น สวดมนต์ทำวัดเย็นเก็บของเก็บพัสดุเครื่องนอนทาครัวก็ทาตรงนั้นรวมทั้งนอนด้วยนะแขกมาก็ต้องนอนสาระไก่เพราะไม่มีกุฏิเหลือขนาดอาตมามาจำมัรยิดแรกนี้ไม่มีกุฏิเลยนะต้องมานอนหอไ ต, ตรซึ่งแต่ก่อนอยู่ข้างบนอยู่บนเขาบางรูป ก, ก็ต้องทำเพิงเองอยู่ าตายต้นไม้นะตายต้นไม้ต้นใสเนี่ยใกล้ๆสะใกล้ๆกับหอใจจุดหอใจแต่ก่อนจำได้ว่าเมื่อมาพักแล้วนี่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยซึ่งตอนหลังได้เป็นอบตอนยายกอบตเนี่ยคนที่เพิ่งคนที่เพิ่งคนล่าสุดเนี่ยนะที่เพิ่งพ้นตำแหน่งไปเมื่อสองสามปีก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็มามาคุ้มกันนะออสกเอาปืนมาด้วยมั้ง ปืนมาม า, มาคุ้มกันนะมาเป็นยามผู้ง่ายๆเพราะว่าตอนนั้นที่นี่ก็มันก็ไกลหูไกลตาเจ้าหน้าที่ที่จริงก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าไม่เคยมีการจี้ปล้นในทันทีมีแต่ขโมยอยู่มาหลายปีไม่มีแต่ชาวบ้าน ก, ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องมารักษาความปลอดภัยให้กับอาคันตุกะทุส่าห์มาจากแดงไกล ทอดกริ่ก็ง่ายๆนะได้เงินมา 20,000 บาทแล้วก็ผ้ากรถิน1ไตรแล้วก็บาสเตนเล็อีก1ลูกนับเป็นบาสเตนเล็ตลูกที่2ของวัดนี้นะลูกแรกนี่คือหลวงพ่อของหลวงพ่อลูกที่2องสมัยนั้นพระนี่ก็ใช้บาสเหล็กกันอันตามาก็ใช้บาสเหล็กไปจนกระทั่งพันศาที่9ถึงได้ถึงมีโชคนะได้ ได้บาดสเตน เ, เลสเป็นของใช้แล้วนะมือ2จากภาพที่เขาศึกไปประเภทที่ว่ามีบาดสเตนเลสใช้กันทั่วไปแบบสมัยนี้อันนี้สมัยโน้น น, นึกไม่ถึงนะมันเพราะเขาเป็นของหายากเป็นข อ, ของมีราคาแพงก็ใช้บาดเหล็กกันต่อเมื่อมีทอดผ้ป่าหรือมีทอดกระถิ่นนะถึงยอได้มีโอกาสได้ใช้บาดสเตนเลสแต่เจ้าภาพบางเจ้าภาพเขาก็ เขาก็ไม่ได้หาบาสตลเลตมาให้นะเขาก็เอาบาทเหล็กมาให้อันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยการทอากรถินของที่นี่ปีสองเจ็ดก็ก็ดูมีคนมากหน่อยนะแต่บางปีก็อย่างที่บอกนะไม่มีเจ้าภาพจากไหนก็ชาวบ้านนั่นแหละกุดงงบ้านใหม่พอสมัยก่อนนี่วัดเรานี้อ่า สมัยก่อนกุดงงไม่มีวัดนะกุดงงไม่มีวัดก็ประมาณปีสามสองนั่นแหละก่อนนั้นชาวบ้านกุด ง, งงก็ต้องมาทําบุญที่นี่นะเพราะนั้นเขาก็อาศัยเป็นเจ้าภาพในช่วงนั้นนะเพราะยังไม่มีวัดกุดงงหรือว่าวัดอุทยธรรมารามนะที่บ้านกุฎงงอันนี้คือสภาพที่นึกออกถ้านึกออกคงจะเห็นได้ชัดแล้ว่ามันแตกต่างกับปัจจุบันมากนะปัจจุบัน การคนนี้เป็นเจ้าภาพทอดกรถินนี่มีเยอะนะเนี่ยตอนเนี้มีเจ้าภาพแล้วสําหรับปีหน้าสองเจ้านะคือไม่ต้องไม่ต้องหาเลยแล้วก็ไม่เคยหาด้วยนะแต่ว่าก็จะมีคนมาหาขอเป็นเจ้าภาพกรถินได้ง่ายมากนะพอถึงปีหน้าคงจะมีอีกหลายเจ้า แต่วัดเราก็เนื่องจากเป็นกรินสา ม, มัคคีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไปรอไกลนะปีหน้าก็ได้ทอดปีหน้าก็ได้เป็นเจ้าภาพนะไม่ต้องเข้าคิวคอยเป็นสิบเป็นร้อยปีอย่างบางวัดนะปัจจัยที่ได้นะก็เยอะนะประเภทเป็นหมื่นนี่ไม่มีแล้วนะเป็นแสนหรือไม่ก็บางทีก็เหยียบล้านนะ ก็ถือว่ามากนะสำหรับสุขโตแต่ว่าถ้าเทียบกับวัดอื่นหลายวัดนี่ถือว่าน้อยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าสำหรับวัดป่าสุขโตนะก็ถิ่นก็ยังเป็นงานใหญ่ประจำปีอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงนะสิบปีหน้าก็อาจจะยิ่งกว่านี้อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงภายนอกนะแต่ว่า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 เป็นบ้านที่เขาได้รับความสะดวกนะในการปฏิบัติแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ภาวนาเต็มที่เส ม, มอว่าเป็นบ้านนะไม่ใช่เกิดความผสงว่าเป็นวัดที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์แล้วก็พิธีรีตรองท่านก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้นะ แเพราะความสะดวกมันก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการปฏิบัตินะความสะดวกสบายท่านเรียกว่าสัปปายะนะสัปายะสัปายะนี่เป็นภาษาบาลีไทยแล้วก็แปลงเป็นคำว่าสบายนะแต่สัปปายะของในภาษาบาลีเนี่ยสบายเพื่อเกือก่อคูณต่อการปฏิบัติแต่ถ้าสบายในภาษาไทยบางทีมันมีความหมายว่าสบายแล้วก็อยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรนั่งเล่นนอนเล่นนะ อันนี้ไวยะมันต่างกันพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความสบายแล้วก็ที่จริงผู้เจ้าก็สอนเนีนให้รู้จักหาความสบายใส่ตัวในธรมรมมาธิโลอายุวัฒนกถาหรืออายุวัฒนธรรมคือธรรมที่ทําให้มีอายุยืนนานก็มีข้อนึ่งคือว่าให้รู้จักหาความสบายข้อแรกคือให้กินอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ให้รู้จักหาความสบาย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 สูงกับต่ำนี่เป็นความแตกต่างทางปริมาณถ้าอยู่กลางกลางเรียกพอดีนะดำขาวก็เหมือนกันนะให้อยู่ตรงกลางกลางก็ยี่หรอพอดีก็ได้แม้กระทั่งความเพียนนะเพียนมากกับเพียนน้อยอยู่ตรงกลางๆงนี่เราพอดีพรนะพุทเจ้าก็แนะนําพระสณะกลริวิษณ์นะให้ทําความเพียนแต่พอดีนะ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 เศราโศกเสียใจเข้ามาปล่อยความเกลียดความอิจฉาเข้ามาความท้อแท้เข้ามาไอบ้านที่เป็นตึกเป็นอาคารเราไม่ยอมให้คนนะแย่ๆเหล่านี้เข้ามาแต่ทําไมเราปล่อเขาให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาในใจเราได้นะบางทีเชื้อเชิญเข้ามาได้ซ้ําบางทีถนอมรักษาไว้ได้ซ้ําเช่นความโกรธนี่ก็ถนอมรักษาความโกรธเอาไว้ความเกลียดก็ถนอมความเกลียดเอาไว้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 อารมณ์ที่เป็นตัวได้รานี้เข้ามาแต่ทําไมเราปล่อยให้เข้ามาได้ง่ายเหลือเกินอันนี้เพราะบ้านแจงเรานี้มันไม่มีสตินะไม่มีสติเป็นผู้รักษานะ <c oughs> ก็เลยปล่อยให้อะไรต่ออะไรเข้ามาเสร็จแล้วก็มาเผาเผาเรือนของเรานะเผาเรือนใจของเรานะทำให้จิตใจเราเศร้าหมอง <c oughs> เราต้องรู้จักรักษาบ้านใจของเราด้วย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 กลายเป็นฆาตกรได้เพรปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครอบงำเพราะเข้าไปไปเป็นมันนะไม่ใช่ใดูมันถ้าดูมันเห็นมันนะมันก็จะสอนให้เราเห็นนะเห็นสัจธรรมความจริงนะเห็นอาการเกิดดับนะของของนามนะของอารมณ์แล้วก็เห็นลักษณะของมันว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตน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 อย่างสันติอัมมาซึ่งเสียสูญเสียคนรักนะที่ฟ้อนรำให้ตัวเองดู7จ็วันเคืนหรือนางกิสาโกตจะมีชื่อเสียงสูญเสียลูกนางปตจัจลาที่สูญเสียทั้งทั้งลูกทั้งสามีทั้งพ่อแม่ท่านเหล่านี้เนี่ยเห็นใจลักจากความสูญเสียจากความเศร้าจากควา ม, จ า, วามจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะท่านเห็นใจลักจากความ